ตอนนี้คงมีหลายคนอยากให้ถึงสิ้นเดือนเร็วๆนะไม่ใช่ว่าพ่อหวยจะออกนะแต่เพราะว่ามันจะได้เลือกตั้งเสร็จๆไปสักทีเลือกตั้งวันที่สามสิบหลังจากวันนั้นก็จะทุกอย่างก็จะสงบ<笑><笑>ก็แปลงนะเดี๋ยวนี้เขา วิธีการหาเสียงสมัยนี้คือการแข่งกันสร้างความลำคาญให้กับชาวบ้านใครจะสร้างความลำคาญให้กับชาวบ้านมากกว่า ก, กันก็ได้เสียงไปแมนจริงๆน่าจะเน้นเรื่องสร้างความสุขกับชาวบ้านนะนี่ไปแข่งกันสร้างความลำคาญจะไลฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งแก พูดว่าฉันไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จริงเลยจนกระทั่งได้มาแต่งงาน <c oughs> แต่ถึงตอนนั้นก็สายเสร็จแล้ว <c oughs> เข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้ก็ต้องการบอกอะไรนะ <c oughs> เขาต้องการบอกว่าไอตอนที่เป็นโสดเนี่ยก็มีความสุขอย่างยิ่งนแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่า เป็นโซดว่ามีความสุขอย่างยิ่งก็ตอนที่แต่งงานไปแล้วนะแต่ถึงตอนนั้นก็สายไปซะแล้วนะเพราะว่าแต่งไปเรียบร้อยแล้ว น, นี่น่าคิดนะเป็นไม่ใช่แง่คิดสำหรับคนที่กำลังจะแต่งงานอย่างเดียวแต่มันให้แง่คิดที่กว้างกว่า น, นั้นด้วยคนที่คิดจะแต่งงานก็มักจะคิดว่าถ้าแต่งงานลรวสองจะมีความสุข มากกว่าที่เป็นอยูนะ่แต่ว่าพอได้แต่งงานเข้าไปจริงๆก็จะรู้ว่าโอ้ไอ้ตอนที่ไม่สุขไอ้ตอนที่ไม่แต่งงานนะ่ะมันมีความสุขมากกว่ามันก็เหมือนกับที่เขาพูดว่าเนี่ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า คนที่บวชไปสักพักนะก็จะรู้สึกว่าโอ้ศึกนี้ดีกว่านะคิดว่าเป็นคารวานนี้จะมีความสุขกว่าแต่พอศึกเขาแบ่งจริงก็ถึงมานึกเสียดายก็โอ้ตอนบวชนี่มีความสุขกว่ามากนะ ในสายพุทธการนี่ก็มีคนเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นพระเนี่ยมีกินมีฉันมีปัจจัยสี่ก็คิดว่าโอ้เป็นพระนี้สบายสบายกว่าตัวฉันนะ พอต้องเสียเวลาต้องเหนื่อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เลยมาบวชเป็นพระพอบวชพระแล้วก็เจอวินัยของสงฆ์แล้วก็ต้องถูกเขียเข่ยเนให้ปฏิบัติธรรมก็เลยรู้สึกว่าเป็นคารวะเนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยก็เลยศึกไป สึกไปก็ก็ไปอยู่กินกับหญิงสาวอยู่ไปได้สักพักโอ้ยรู้สึกว่าโอ้เป็นภาสนี้สบายกว่าเยอะเลยก็เลยกลับมาบวชใหม่บวชใหม่บวชได้สักพักโอ้เป็นภาสลำบากแฮะสึกดีกว่าบวชบวชึกสึกอย่างนี้หกครั้งนะ พรารุมีชื่อพระจิตตหัดนะจิตตหับดบวชบวชศึกศึกถึงหกครั้งนะเพราะว่าอยากจะหาความสุขเป็นคารวะก็อยากบวชพระเพราะคิดว่าพระสุขกว่าพอบวชพระก็อยากศึกไปเป็นคารวะอันนี้เรียกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ศึกครั้งที่หกนะก็อยู่ไปได้สักพักอยากจะบวชใหม่คราวนี้เนี่ยที่บวชเนี่ยเพราะว่าไปเห็นเมียของตัวกำลังหลับเสื้อผ้าหลุดลุย่ยน้ำลายไหล ย, ยืดนะอย่างที่พระยาสารพบ ก่อนที่จะไปป่าอิสิปัตนามมลกยมันลุกทยวันอย่างที่อาจารย์วัฒนชัยเล่าเมื่อเช้าเป็นฉากเดียวกันเลยนะพระจิตตาหัดเห็นก็ครานี้เบื่อหน่ายจริงๆเลยนะว่าชีวิตทางโลกไม่มีอะไรเลยก็เลยเดินไปที่วัดเพื่อจะไปบวช ในช่วงระหว่างที่เดินเนี่ยก็เกิดความรู้สึกเห็นภัยของกามาสุขก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันก่อนที่จะถึงวัดโดยซ้ำและพอได้บวชที่จริงยังไม่ยังไม่ได้บวชนะเพราะว่าพระก็ก็ทวงว่าบวชบวชศึกๆอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วคราวนี้ไม่ให้บวชละ แต่ว่าท่านจิตตหัดก็ยืนกรานว่าจะขอบวชหลังจากที่ยืนยันเป็นมันเป็นเหมาะนะพระก็เลยให้บวชตอนนี้บวชแล้วไม่ศึกแล้วนะเพราะว่าได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคนที่เรียกว่าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ เป็นพระก็ไม่พอใจในความเป็นพระอยากสึกไปเป็นโยมพอเป็นโยมก็ไม่พอใจในความเป็นโยมอยากกลับมาเป็นพระกลับไปกลับมาอย่างนี้แต่ที่สุดเนี่ยก็เรียกว่าเห็นธรรมแต่คนส่วนใหญ่คงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกนะคราวนี้เนี่ยกลับมาที่ที่ผู้หญิงคนเนี่ยบอกว่าไม่เคยรู้จักความสุขที่แท้จนกระทั่งได้มาแต่งงานนะ ถึงตอนนั้นก็สายไปเสร็จแล้วอันนี้มันก็ให้ง่ายคิดที่ลึกไปกว่านั้นด้วยนะคือคนเราถ้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขจนกระทั่งเราได้ออกไปอย่างที่เคยเล่ามีมวัยรุ่นคนหนึ่งมาอยู่กับอาจารย์คันชิตเป็นชาวเยอรมัน ก็อยู่หลายวันนะเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์ทีเดียววันหนึ่งก็มีธุระที่ริงอาจารย์คันชิตพาไปไปดูคนป่วยที่เป็นเอชที่ชัยภูมิเสร็จแล้วก็ไปแวะโรงเรียนการจนาก็มีนักเรียนมาพูดมาคุยเพราะเห็นคนต่างชาติเป็นเยอรมันก็อยากจะสปีกอ e ง g l i นะไม่ไดนะ้สปีกดอยสปีกอังกฤษนะเขาก็พูดได้ พอกลับมาก็เลยบอกว่า้ยวุ่นวายเหลือเกินกลับมาถึงวัดนะก็บอกแจ้งกันชี้ว่าวุ่นวายเหลือเกินออกจากวัดเนี่ยถึงรู้ว่าวัดนี่สงบนะไอตอนอยู่วัดนี่ไม่รู้นะวัดนี่สงบพอออกไปถึงรู้อันนี้ก็เหมือนกับผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยตอนเป็นตอนเป็นโสดก็ไม่รู้ว่าโสดนี่มีความสุขพอแต่งงานถึงจะรู้ว่าออ ความสุขที่แท้ก็คือตอนเป็นโสดนั่นเองคือออกไปแล้วถึงรู้นะคนเราตอนที่เราเป็นอยู่แบบนี้เราไม่รู้ว่ามีความสุขนะพอเราป่วยเนี่ยถึงจะรู้เลยว่าอ๋อตอนที่เราไม่ป่วยนี่มีความสุขหลายคนเนี่ยถ้านอนที่สุขภาพดีก็ยังกระสับกระส่าย อยากจะไปหาความสุขมาใส่ตัวมากๆเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีความสุขแต่ว่าพอเจ็บพอป่วยถึงค่อยรู้ว่าอ๋อเราเคยมีความสุขนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมันคนเราจะรู้จักสิ่งใดก็ต่อเมื่อได้ออกจากสิ่งนั้นหรือว่าได้สูญเสียสิ่งนั้นไป คนที่อยู่กับพ่อแม่นี่ยก็ไม่รู้นะว่าตอนที่พ่อแม่อยู่กับเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ น, นี่เป็นช่วงที่ประเสริฐเป็นช่วงที่ดีแต่พอพ่อแม่เสียไปเนี่ยถึงค่อยมานึกได้ว่าตอนที่ท่านอยู่กับเราเนี่เป็นช่วงที่มีความสุขพอได้ออกไปหรือได้สูญเสียไปแล้วนึกถึงจะรู้สึกทั้งที่จริงเนี่ยเรา ไอ้ความสุขนี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นนะเราก็คิดว่าอยากได้นโนนอยากได้นี่พอได้จริงๆแล้วบอกกว่าไอ้สิ่งที่เราเคยมีมันก็สูญไปด้วยตอนนี้หละเสียใจมีนักกีฬานักกีฬาไทยคนหนึ่งนะไป แกหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้เหรียญทองในกีฬาซีเกมแกเป็นนักกีฬาที่ที่เรียกว่าคาราเต้โดนะมันไม่ใช่ยูโดนะมันไม่ใช่ยูยิสูนะมันเป็นกีฬาใหม่คาราเต้โดอันนี้ก็หลายปีมาแล้วนะแล้วแกมีพ่อเนี่ยเป็นโค้ชส่วนตัว ก็เก่งมากนะจนกระทั่งได้เป็นติดทีมชาติแกก็มุ่งมั่นว่าจะเป็นคนไทยคนแรกที่จะได้เหรียญทองคาราเต้โดแต่แล้วก็ได้ไปแข่งกีฬาซีเกมพ่อไม่ได้ไปด้วยเพราะพ่อเป็นโค้ชส่วนตัวแล้วแกก็ในที่สุดก็สามารถที่จะชนะ ได้เหรียญทองก็ดีใจมากเย็นนั้นก็มีการฉลองกันเลี้ยงฉลองเหรียญทองพอเลี้ยงฉลองเสร็จผู้จัด ก, การส่วนตัวผู้จัด ก, การทีมชาติก็บอกว่ามีข่าวร้ายจะบอกนะว่าพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อวันก่อนเพราะอุบัติเหตุ แต่ว่าไม่ได้บอกเธอเพราะกลัวว่าเธอจะไม่มีกําลังใจในการแข่งขันนักกีฬาคนนี้พอรู้ข่าวว่าพ่อเสียนี่แกร้องไห้ทันทีเลยนะแล้วแกก็บอกว่าเหรียญทองไม่เอาแล้วขอให้พ่อกลับคืนมาก็พอละแต่ว่าพ่อก็กลับคืนมาไม่ได้แล้ว คือมันไม่เหมือนตอนที่ยังไม่รู้ข่าวนะตอนที่ไม่รู้ข่าวเนี่ยความใฝ่ฝันของชีวิตก็คือได้เหรียญทองแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเธอเนี่ไม่ใช่เหรียญทองนะแต่คือพ่อครั้นได้เหรียญทองมาแล้วแล้วรู้ว่าเสียพ่อไปก็พบว่าที่จริงไอ้ตอนที่ตัวเอง ยังได้อยู่กับพ่อเนี่ยถึงแม้ไม่มีเหรียญทองก็มีความสุขแล้วแต่เธอไม่รู้เธอไปคิดว่าต้องมีเหรียญทองก่อนถึงจะมีความสุขเพราะเป็นความใฝ่ฝันมารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ต่อเมื่อพ่อเสียไปแล้วเนี่ยคถามคือทําทำไมคนเราต้องมามารู้ว่าความสุขที่แท้มันอยู่กับเราแล้วมันเคยอยู่กับเราแล้ว แต่มาลุกก็เมื่อเราได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วนะคนที่มีสุขภาพดีก็ไม่รู้เนี่ยคือความสุขมาลุกก็ต่อเมื่อเจ็บป่วยเป็นมะเร็งนะเป็นโรคร้ายเม่ก็เหมือนกับอากาศอากาศที่เราหายใจเนี่ยเราหายใจทุกวันทุกวันจนกระทั่งไม่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าเลยแต่วันใดก็ตามที่เราไม่มีอากาศหายใจหรือว่าอากาศเป็นพิษเราถึงจะมารู้ซึ้ง ว่าอากาศนี่มีประโยชน์อย่างยิ่งคนเราเป็นอย่างนี้นะคือไม่เห็นคุณค่าของสิ่งใดหรือมารู้ว่าตัวเองเคยมีความสุขเนี่ยก็ตอเมื่อได้สูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วทำไมเราต้องรอให้สูญเสียสิ่งนั้นไปก่อนเราถึงจะเห็นคุณค่าหรือถึงจะรู้ว่าเราเคยมีอะไรดีทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของมันตั้งแต่ตอนที่มันยังอยู่กับเรานั้นถ้าเราหันมามองแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เรียกว่าสันโดษง่าย ก็คือว่าสุขง่ายพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้แล้วคนที่เป็นโสดก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าพอใจในในชีวิตโสดเนี่ยเขาก็ไม่ไดิ้นหลนนะจะไปหาคู่หลายคนคิดว่าเนี่ยฉันต้องมีคู่ต้องมีกิก๊กต้องมีแฟนเพราะว่าจะทําให้ฉันมีความสุขวัยรุ่นคิดแบบนี้กันมากเสร็จแล้วพอมีคข้างจริงก็พบว่าโอ้ตอนที่ฉันเป็นโสดนี่มันสบายกว่าเยอะ แต่ว่าหลายคนก็พบว่ามันสายไปแล้วนะอันนียการที่เรากลับมาเห็นสิ่งที่เรามีแล้วก็รู้จักชื่นชมมันเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาอะไรมากซึ่งบางครั้งการดิ้นรนนี่กลับทำให้เราเป็นทุกข์หรือว่าเพิ่มทุกข์มากกว่า่ะแล้วก็เตรียมรับพร